เส้นผมบางภูเขาเลยหรื อ, อยังไงน้อยชายยานหันมาร้อดารินพร้อมกับหัวเราะแต่น้อยคงไม่กลัวไม่ใช่เหรอเห็นเตรียมเซดรุ่มมาทั้งแยะนี่หม่อมราชวงศ์ดารินหน้าง้มพูดกระแทกเสียง<ว><น>เมื่อฉันถามถึงสัตว์ป่าฉันไม่ได้หมายความถึงจำพวกงูฉันหมายถึงสัตว์สี่ท้าสองเท้าทั้งหลายก<ว><น>็ไม่นึกเหมือนกันว่าเขาจะตอบแบบกําปั้นทุบดินแบบนี้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 พรานที่ถูกหมูกัดหรือขีดตายก็เพราะความประมาทเป็นต้นเหตุอืมนี่เป็นความรู้ใหม่ทีเดียวเช่ฐาได้ชายยันคลางออกมาพร้อมๆกันเป็นการดีหรือเกินที่เรามีโอกาสคุยกันเสีก่อนที่จะออกเดินทางเข้าป่าแท้จริงถึงอย่างไรก็ตามขณะ น, นี้คุณก็เปรียบเหมือนครูของพวกเราแล้วอย่าลังเลอะไรเลยในการที่จะสอนอะไรให้รู้ในเรื่องของป่า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 บางรายนอนอยู่ในแคมป์แท้ๆมันยังย่องมาฆ่าบอาไปเลยพวกหมีก็เหมือนกันฉันเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามันเข้ามารังควานคนบ่อยๆช้างในอินเดียก็เคยปรากฏว่ายกโขลงเข้ามาทําลายหมู่บ้านเสียทั้งหมู่ยิ่งกว่า น, นั้นสัตว์ดุร้ายอีกหลายประเภทพอเห็นคนเข้าก็ปรีเข้าใส่ทันทีโดยเห็นเป็นเหยื่อโอชาไปเสียด้วยซ้ําพรานใหญ่หัวเราะในเสียงเรื่อยเฉื่อยอันเป็นปกติธรรมดาของเขา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 หม่อมราชวงหญิงดาลินหน้าตื่นขึ้นในบัดนั้นกอดอกหอไรเอ๊ะคุณพูดเป็นไนยังไงชกพิกลฟังแล้วชักขนลุกอธิบายชัดๆหน่อยสิมันหมายถึงอะไรเอ๊ะนพรานนี่พิรึกจริงเชียวยิ่งใกล้จะออกเดินทางก็ยิ่งพูดให้ใจไม่ดีสิ่งที่ผิดปกติวิกลวิกาที่คุณว่านะมันคืออะไรรพินหัวเราะหึหสีหน้ากล้านเกียมของเขาดูเป็นเงาสรัว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 อะไรทั้งหลายแหลมันก็เป็นเรื่องเล็กไปหมดผมเข้าใจความหมายของคุณกระพินเชี่ถาพูดขึ้นต่ำๆยิ้มอย่างเยือกเย็นขณะที่เอื้อมมือมาตบลายจอมพานผมกับชายยันก็ถือหลักเดียวกันกับคุณนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะและปืนในมือเราไม่หวั่นในการจ ะ, ระเผชิญกับอะไรทั้งสิ้นภายใต้การนำของคุณเอาละดึกมากแล้วเรานอนกันเถอะ ก่อนที่ฟ้าจะสางเล็กน้อยขบวนการเดินทางก็พร้อมเกวียนทั้งหมดมีจำนวนแปดคันแต่ละคันมีคนคุมหรืออีกนายหนึ่งลูกหาประจำสองคนหคันใช้บรรทุกสัมภาระเต็มเพียบสองคันใช้เป็นเกวียนสารองและอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่หน้าขบวนใช้เป็นเกวียนนั่งโดยสารของคณะนายจ้างบรรทุกเฉพาะสิ่งของจำเป็นที่จะหยิบใช้อย่างปัจจุบันทันด่วนของคนเ่านั้น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 จอมพรานกำลังเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยและพูดจาสั่งงานอยู่กับคนเหล่านั้นเขาอยู่ในชุดเดินป่าลักษณะเดียวกับที่ทุกคนมองเห็นในวันแรกเป็นเสื้อผ้าหน า, นาตัดแบบรัดกลุ่มและคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้รอบตัวมากที่สุดโดยไม่มุ่งหวังในความโก้เก๋สวยงามอย่างใดทั้งสิน้นรองเท้าเป็นรองเท้าแบบเดินป่าของตารวจตะเวนชายแดนหมวกสกราชคาดหนังเสือดาวครอบอยู่บนศีรษะ เขาไม่ได้คาดเข็มขัดปืนสั้นแต่มีมีดโบวี่ยาวขนาดแปดนิ้วร้อยติดอยู่กับเข็มขัดอยู่ทางเอวด้านซ้ายยืงไปทางหลังไหลขวาสะพาย 30-06 อันเป็นไรเฟิลประจำมือเมื่อคณะนายจ้างของเขาเดินลงมาพรานใหญ่ก็ตรงเข้าไปรับเชิฐถากับชัยยันอยู่ในชุดเดินป่าทันสมัยอย่างนักรา์าาชาวกรุงทั้งหลาย คาดเข็มขัดปืนสั้นขนาดจุดสีแมกนัมคนรักกระบอกส่วนดารินไม่ต้องสงสัยขนาดจอมพรานกลาสายตาจำเรืองพิงผ่านผ่านเขาก็อดที่จะต้องงงงินไปเสียไม่ได้นางเอกของเรื่องในภาพยนตร์เกี่ยวกับการเดินป่าอย่างไรก็อย่างนั้นหรือจะเรียกว่าเป็นการแสดงแฟชั่นของนางแบบสาวเกี่ยวกับชุดเดินป่าก็ไม่ผิดหม่อมราชวงหญิงคนสวยทั้งงามทั้งเก๋อยู่ในชุดเข้าป่า ตัดเย็บราณี่รัดรูปทรงอย่างเจตนาจะให้เป็นแบบที่สวยงามจริงๆสีเขียวใบไม้ความสมบูรณ์ของวัยและความมีส่วนที่มีทรงอันดีอยู่แล้วเมื่อเข้ามาเป็นหุ่นของชุดนั้นมันทำให้สายตาใดก็ตามที่เห็นข้าวย่อมจะต้องจ้องตะลึงไปหล่อนเป็นคนมีรสนิยมสูงในการแต่งกายเอาเสียจริงๆแม้กระทั่งเวลาที่จะเดินทางเข้าป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เข็มขัดสองปืนอันบรรจุเจ้าจุด357แบบซิงเกิลแอคชั่นของหลอนที่คาดเพร่อยู่ครึ่งเอวครึ่งตะโพกหลอนก็ใช้เข็มขัดแบบเวสเทิร์นคือแบบคาดต่ำในระดับตะโพกไม่ใช่คาดร้างชิดเอวเหมือนเชษถาและชายยันสองปืนก็เป็นแบบชักเร็วมีสายหนังเป็นเข็มขัดคาดรัดติดอยู่กับลำขาเฉียวไปตลอดกาย กลมกลืนสวยงามไม่มีทิตฐิอะไรเลยถ้าหากหล่อนจะเตรียมเข้าหน้ากล้องภาพยนต์แต่สำหรับการเตรียมออกเดินทางกันจริงๆครั้งนี้รบพินภัยวันเต็มไปด้วยความอ่อนอกอ่อนใจหล่อนก็ดูเหมือนจะอ่านสายตาของเขาที่ชำเลืองผ่านมาบ่อยๆได้ถามมาว่ารำคาญฉันอีกกระสีในายพานเปล่าเลยครับโทษคุณหญิงผมกาลังจะชมว่าคุณหญิงสง่างามหรือเกิน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 เจอหน้าคุณรพินเป็นต้องชวนทะเลาะทุกทีเราจะออกเดินทางกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนะชายยันจุูปากบนพร้อมกับโครงศีษะพ่านใหญ่หัวเราะเบาๆคุณหญิงอาจนึกสนุกก็ได้ในการทะเลาะกับผมแต่ผมนะ่ะเห็นจะไม่ทะเลาะกับคุณหญิงหรอกครับยอมให้คุณหญิงทะเลาะข้างเดียวตามหน้าที่ของลูกจ้างที่ดีง่าเขาพิจารณาดูเครื่องแต่งกายของหญิงสาว ด้วยสายตาสุขใสเป็นประกายยิ้มขันขันระบายอยู่ที่ริมฝีปากคุณหญิงเห็นจะเตรียมชุดเดินป่ามาหลายชุดกลังครับอ๋อไม่ต้องมาประชดเจ็ดวันเจ็ดสีเลยไม่มีซ้ำดารินเชิดหน้าบอกถอดหมวกสักรารของหล่อนออกมาดัดปีกน้อยไปหน่อยครับควรจะเป็น30วัน30สสีตลอดทั้งเดือนจะได้ไม่ต้องซ้ำ ลูกหาบเรามีตั้งส6หคนถึงว่าสิเพื่อนหนุ่มเสริมหันไปพยักหน้ากับพระพินปล่อยพระเดชพระคุณเสียคนหนึ่งเถอะพอเราเริ่มเดินทางออกจากหล่มช้างเหตุการณ์มันคงจะสอนเขาเองระยะ น, นี้ปล่อยให้เจ้าหญิงประพาสป่าในเชิงสำราญอิทิยาบทไปพางพางก่อนข้าทาตบริวารอุปกรณ์บำรุงบำเรอความสุขของเราในตอนนี้ยังพักพร้อม เจ้าหญิงจะทรงชุดแฟนซีสนุกสนานยังไงก็คงจะได้หม่อมราชวงศ์เชษฐถาพี่ชายพูดมาอีกคนพร้อมกับหัวเราะหึ่มองดูน้องสาวคนสวยอย่างอ่อนระอาหญิงสาวไม่สนใจหัวเราะเสียงใสแกล่งซ้อมชักปืนอย่างรวดเร็วจากซองข้างตโพกขึ้นมาควงเล่นแล้วพยักหน้าไปที่หมวกของระพินว่าแต่หนังเสือที่คาดหมวกของคุณ น, นั่นเถอะสวยดีนี่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 เพราะต่างยอมย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่าจุดหมายของการเดินทางของคณะหม่อมราชวงศ์เชิฐาครั้งนี้อยู่ที่อะไรในที่สุดเวลาเดินทางก็มาถึงระพินตะโกนสั่งให้คนของเขาทุกคนเตรียมตัวและเขาเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาจับมืออำลาในอำพลผมลาแล้วครับคุณอำพลจอม่านกล่าวเพียงสั้นๆขณะที่ยิ้มให้ ผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศซึ่งทำงานติดต่ออยู่กับเขามาเป็นเวลานานลววมือระพินเข้าไปบีบไว้แน่นผูดได้เสียงต่ำลึกก่อนที่คุณจะจากไปยังขุนขาวพระศิวะเบื้องหน้านั้นขอให้ผมได้ย้ำขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายผมขอฝากคณะของคุณชายเชษถาไว้กับคุณด้วยระพินไม่มีพรานคนไหนอีกแล้วที่ผมจะไว้วางใจเท่าคุณในการเดินทางครั้งนี้ วางใจติดครับผมขอปฏิญาณด้วยกิจยศของลูกผู้ชายในอันที่จะนำทางและปกปากพิทักษ์ภัยให้แก่คณะนายจ้างของผมด้วยชีวิตขอให้คุณโชคดีผมหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าผมจะได้พบคุณกับคณะทุกคนอีกครั้งไปเถิดะรปินพวกเราทุกคนจะภาวนาวิงวอนให้แก่คณะเดินทางของคุณขอบคุณครับรปินภัยวันกล่าวคําอําราทุกคนที่มายืนรอคอยส่งเขาวจนครบ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 คณะนายจ้างทั้งสามเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าแง่ทายหนุ่มชาวดงนักพนเจนจรเดินอยู่ชิดแอกเกวียนทางด้านขวาร่างสูงใหญ่ตะ ง, งานงามราวกับผุนปั้นนั้นอยู่ในชุดกระเลียงโกหัวด้วยผ้าดำไหล่สะพายวินเชสเตอร์ซ4 4 0อันเป็นปืนประจำมือคู่ชีพที่ติด ต, ตัวมาเขาไม่ได้สูงสิงพูดจาเล่นหัวกับพวกลูกหาบทั้งหลาย ซึ่งเดินกันไปก็สนทนากันไปพรางเป็นที่สนุกสนานดรื่นเริงเหล่านั้นตาสุขใสเป็นประกายทั้งคู่กลาดคมไวไปรอบด้านอย่างตื่นพร้อมด้วยสันท่าชยานเจนไพรอา้าวแงซายแกเดินอยู่ตรงนี้เองหรือเชษฐาร้องทักลงมาจากเกวียนอดีตนายทหารกองโจรกะเหลียงยิ้มเห็นฟันขาวครับเจ้านายผู้กองสั่งให้ผมอยู่ใกล้เกวียนคันนี้คอยรับใช้เจ้านาย เงยสายตอบได้ลิ้นบ้านป่าอันเป็นสำเนียงพื้นเมืองทั่วไปรู้ไหมเราจะเดินทางกันอีกนานสักเท่าไหร่ถึงจะถึงจุดหยุดพักและล่าสัตว์เป็นแห่งแรกของเราชายยันผู้ตลอดเวลามีอารมณ์คึกคักอยู่กับการล่าสัตว์ถามมาบ้างผมไม่ทราบว่าผู้กองกำหนดไว้เช่นไรแต่ถ้าผมถ่ายไม่ผิดผ่านหุบเขาข้างหน้าโน้นเลยไปอีกฟากหนึ่งเป็นทุ่งโลง่งและภูเขาเตียเต้ยๆหลายรูป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 ปาโทแล้วก็ไม่บอกแต่แรกด้วยปล่อยให้เรานั่งเ่งาอยู่ในเกวียนนี่เองไม่เห็นด้วยความอะไรเลยชัยยันจุปากลั่นหันไปคว้าจุด458หจากราวปืนที่ทำติดไว้กับเกวียนซึ่งตั้งปืนขนาดต่างๆไว้เป็นแถวขึ้นมาขยับลูกเลื่อนตรวจดูกระสุนคุณรพินคงไม่อยากจะให้เราเดินเหนื่อยก่อนจะถึงที่หยุดพักและทำการล่า ก, กันจริงๆนกำมังถึงไม่ชวนให้เราลงไปเดินด้วย แกกับน้อยนั่งอยู่บนเกวียนนี่ไปสองคนเถอะฉันขอลงไปเดินกับพรานใหญ่ของเราดีกว่าเพื่อจะเจออะไรที่มันตื่นเต้นบ้างว่าแล้วชายยันก็กระโดดลงจากเกวียนพร้อมกับปืนในมือเดี๋ยวรอด้วยฉันไปมั่งสิดารินร้องมาเร็วปือ้อช่วยจุดสองจดขึ้นมาบ้างแล้วกระโดดลงวิ่งตามไปหม่อมและวงเชษถ่ถาพลอยนึกสนุกเพราะขี้เกียจจะทนนั่งลำคาญอยู่คนเดียวในเกวียน จึงหยิบเ n เกึ่งอัตโนมัติปัญจุกระสุนลูกสองห้านัดขึ้นมาหันไปสั่งแง่าสายว่าแง่าสายแกคอยคุมเกวียนนี่ไว้ให้ดีนะอย่าให้ใครไปแตะต้องปืนในราวเหล่านี้เป็นอันขาดเราจะเดินล่วงหน้าไปก่อนแง่าสายยิ้มยิงฟันรับคำเชษดาเพ่นลงจากเกวียนสาวเท้าตามหลังชยันนับกับดาลินไปทั้งสามเดินไปทันรพินผู้เหลียวกลับมาพอดีเขาเบิกตาตื่น และยิ้มชงนเล็กน้อยที่เห็นคณะนายจ้างทั้งหมดพากันลงจากเกวียนถือปืนเดินเข้ามาสมทบพวกเราขอเดินไปกับคุณมั่งขี้เกียจนั่งลำคาญอยู่ในเกวียนชยันว่าขณะที่ทั้งสามเดินเคียงขนานและบินกลายเป็นแถวเรียงสี่เชิญครับถ้านึกจะสนุกออกกำลังมั่งก็เอาจอมพรานตอบยิ้มยิ้มคงสาวเท้าคืบหน้าต่อไปด้วยฝีเท้าอันสม่าเสมอ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 พอเข้าใกล้ก็เปิดสกราตรลวนคุณรพินอีกเหล่านี้มันเกเลเ ก, ลเกลตุงแท้ๆน้อยคุณรพินอุตส่าห์เดินหนีนำหน้ามาไกลลิปก็ยังไม่ไวายตามมาทะเลาะเพื่อนชายบ่นเบาๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยเชิดหน้าแบกปืนเดินล้ำหน้ารพินไปประมาณ19สอดสายสายตามองอะไรไปเรื่อยปล่อยให้สามชายเดินสนทนากันเบาๆอยู่เบื้องหลัง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 และเราจะหยุดพักที่นั่นในคืนนี้วิเศษสุดสำหรับผมแล้วก็ในการยิงสัตว์กันแล้วไม่มีอะไรสนุกเท่าวิธีไล่ราวมันเป็นบ้าเลยชยันร้องออกมาอย่างขนองแต่แหมแงซ า, ายทายใจคุณไม่ผิดเลยสักนิดเดียวเอะหมายความว่ายังไงกันครับเชษฐาก็หัวเราะตอบแทนชยันมาว่าแงซ า, ายบอกกับพวกเราเมื่อกี้นี้เองว่า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 แหล่งน้ำป่าบริเวณนี้กันดา น, น้ำอย่างที่สุดถ้าไม่ชำนาญรู้ตำแหน่งที่ตั้งของหน้องน้ำแล้วเดินเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่พบน้ำมีหวังอดน้ำตายเพราะพวกเดินป่าจะเอาน้ำติดตัวไปด้วยอย่างเก่งที่สุดก็ใช้ได้ไม่เกินสามวันเฉพาะดื่มอย่างเดียวผมสงสัยว่าคนใช้บรรดาศักดิ์ของเราคนนี้คงจะซอกซอนไปปลุกทีเดียวในละแวกนี้แต่ผมหรือคนของผมก็ไม่เคยเจอหมอนี้ศักที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 แต่พี่ชายสกิดห้ามเสียก่อนโดยให้เหตุผลว่าถ้าหญิงข้างหรือนกเสียก่อนป่าอาจแตกและโอกาสที่จะพบสัตว์ใหญ่ก็จะไม่มีหล่อนจึงชะงักตายขึ้นทางราสูงอีกครั้งหนึ่งท่านใดนั่นเองเงาสีเทาของอะไรชนิดหนึ่งก็เผ่นแผลออกมาจากป่าด้านขวาระยะห่างเพียงไม่เกิน40เมตรสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือเขางามอันแตกแยกออกเป็นกิ่ง ทุกคนมองเห็นพร้อมกันและตะลึงไปชั่วเซี่ยวของวินาทีที่ไม่คาดฝันมาร่วงหน้ายกเว้นระพินคนเดียวขณะนั้นเขาเดินนำอยู่เบื้องหน้าของทุกคนจอมพลานซุดตัวลงนั่งในพริปตานั้นเพื่อหลบทางปืนของคนเบื้องหลังร้องออกมาเบาๆเร็วปือยิงสิครับยิงชา ย, ยันและเชษฐาประทับปืนขึ้นพร้อมกันเป็นจังหวะเดียวกับที่กวางหนุ่มตัวนั้นเพ่น เสียงไรเฟิลขนาดหนักกับลูกซองระเบิดสถานป่าขึ้นแทบจะเป็นเสียงเดียวกันกวางใหญ่ที่กำลังจะโลดเข้าริมทางกระโจนไปสุดช่วงตัวแล้วคอพับลงพลิกหงายท้องดิ้นตะกุยตะกายอยู่ในพงไม้ทั้งหมดอุทานออกมาอย่างดีใจจนลืมตัวพากันวิ่งพูเข้าไปทันทีระพินเดินยิ้มยิ้มเข้าไปถึงเป็นคนสุดท้ายเจ้ากวางตัวนั้นขณะนี้หยุดดิ้นตายสนิทลงแล้ว ผลของการตรวจสอบรอยกระสุนปรากฏว่าทั้งเก้าเม็ดรูปปลายของกระสุนโอโอบักจากลูกซองที่ยิงโดยเชษฐาเจาะเป็นกลุ่มเข้าก้านคอของมันพอดีแต่กระสุนขนาดจุด4 5ห้าของชายยันไม่รู้หายไปไหนเพราะไม่ปรากฏอยู่บนร่างกายส่วนใดของกวางตัว น, นั้นเลยมันพิสูจน์ชัดออกมาบัดนี้เองว่าคนเฉยเฉยเงียบเงียบอย่างหม่อมราชวงศ์เชษฐาท่อมตัว และไม่เคยคุยอะไรเลยแท้ที่จริงฝีมือในการราาสตว์เหนือกว่าชัยยันเพียงไรจอมพรานนึกทำนายไว้ร่วงหน้าแล้วไม่ผิดเขาสังเกตดูจากการเลือกถือปืนของบุคคลทั้งสองในภาวะเช่นนี้ชัยยันเลือกเอาปืนไรเฟิลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นแรงสะท้อนถอยหลังสูงมีหน้ำซ้ำยังติดศูนย์กล้องซึ่งไม่สามารถจะเล็งยิงได้ทันการในเวลาฉุกระหุกกระทันหันช่นนี้ ผิดกับเชษฐาซึ่งใช้ปืนลูกซองอันเป็นปืนที่เหมาะที่สุดในการยิงอย่างฉับพลันแทบจะเรียกว่าไม่ต้องเลงปราณนีตอะไรเลยผลก็คือเชษฐายิงเข้าเป้าอย่างแม่นยำส่วนชัยยานยิงผิดทั้งๆ ท, ที่ต่างก็ลั่นไกลพร้อมกันวิเศษมากครับคุณชายเป็นการประเดิมชัยที่วิเศษสุดผมยังนึกว่าคุณชายกับคุณชยยานจะยิงไม่ทันเสียอีกมันกาลังเพ่นแล้ว รพินยิ้มพายเข้ามาจับมือในจ้างของเขาบีบแน่นกล่าวชมเชย อ, อย่างจริงใจมันฟลุกหนะ้าคุณรพินผมก็คิดว่าผิดเพราะผมยิงดักหน้ามันตั้งวาประจวบเหมาะกับที่มันเพ่นพอดีเชษฐาตอบยิ้มยิ้มด้วยอาการถ่อมตามนิสัยอย่างเดิมแต่ชา ย, ยันเกา ห, หัวจุปากลั่นโชคดีเหลือเกินที่แกล้มมันได้ลูกปืนของฉันมันไม่รู้หายไปไหนทางไหน ว่าไม่ได้ความบอกตรงๆอีตอนคุณลพินบอกให้ยิงฉันยกปืนขึ้นยังไม่ทันเห็นศูนย์ปืนถนัดเลยอารามตื่นเต้นกลัวว่ามันจะเพ่นไปซสีก่อนก็เหนียวตูมไปงั้นเองไอ้ศูนย์กล้องนี่มันไม่ได้ความแฮะยิงกันแบบกระทันหันอย่างนี้เล็งไม่ทันไม่เอาละเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแฝดของฉันมั่งดีกว่าก็มีอย่างหรือเอาปืนยิงช้างมายิงกวางดาลินว่า ทุกคนพากันหัวเราะคลึกครื้นขันในท่าทีอันติดตลกและลื่นเลงอยู่ตลอดเวลาของชายยันเขาบ่นพึมอยู่เช่นนี้จัดแจงจะเดินกลับไปที่เกวียนเพื่อเปลี่ยนมาเป็นลูกซองแต่ระพินเหนียวแขนไว้ผมว่าเพื่อความไม่ประมาทเป็นการดีแล้วละครับที่คุณชายยันถือไอจุด458นี่ผมเองมี3006คุณชายถือลูกซองบุญคากับจันที่เดินตามเรานี่ก็มีลูกซองเหมือนกัน ขณะนี้เราอาศัยทางเดินของช้างเดินเจ้าของทางมันอาจยกโขงเดินสวนทางกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ถือปืนใหญ่ๆไว้บ้างสักกระ บ, บอกก็ยังพอจะรับหน้ามันไว้ได้ชา ย, ยันยิ้มแห้งๆบนอุบอิบเฮ่อเอาก็เอาเป็นอันว่าผมไม่ต้องยิงอะไรกันจนกว่าจะเจอไอ้จมูกยาวซึ่งบอกตามตรงว่าผมก็ไม่อยากเจอมันนะักช่วยไม่ได้อยากถือมันมาเองทาไมล่ะ คนไม่เคยชินกับป่าก็แบบนี้แหละต้องเลือกถือปืนโตโตวิก่อนทั้งๆ ท, ที่ว่าอันที่จริงแล้วปืนโตมีโอกาสยิงได้น้อยที่สุดดารินได้โอกาสพูดเยาะมาปนหัวเราะเอางี้ดีกว่าคุณรพินมีหน้าที่คุ้มกันเราเปลี่ยนเอาไอ้นี่ไปถือไวเอ้เถอะเพราะถ้าไอ้จมูกยาวมันโผลมาผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะรับหน้ามันไว้ได้หรือเปล่าเปลี่ยนเอา3ามศของคุณมาให้ผมชั่วคร่าวดีกว่า ผมจะได้มีโอกาสยิงอะไรได้บ้างประเดี๋ยวต้องขอแก้หน้าเสียหน่อยรพินส่งปืนของเขาไปแลกกับปืนของชายยันด้วยสีหน้ายิ้มขันขันอยู่เช่นนั้นนายพันตีหนุ่มรับไปอย่างยินดีจอมพลานขยับลูกเลื่อนของไรเฟิลขนาดหนักที่เขารับมาจากชายยันแล้วก็พบความละหลวมอีกข้อหนึ่งของชายยันคือภายหลังจากยิงนัดแรกไปแล้วชายยันยังไม่ได้สระดปลอกกระสุนเก่าออกทิ้ง คงปล่อยให้คารังเพิงอยู่เช่นนั้นอันเป็นความเผลอรเรอทั่วไปของนักล่าสัตว์มือใหม่ทั้งหลายในการใช้ปืนแบบ v o l t A แอคชัเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่กระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนเก่าทิ้งและส่งลูกใหม่เข้าประจำรังเพิงพร้อมกับลดนกลงเสียขณะนั้นพวกลูกหาบทั้งหลายก็พากันละหน้าที่วิ่งกันเข้ามามุงอยู่ที่กวางตัวนั้นและพีนสั่งให้ขนขึ้นบรรทุกในเกวียนสำรอง และออกคําสั่งเดินทางต่อไปชายยันไม่ยอมพูดคุยอะไรเอะอะอีกถือ3006ของรพินอย่างเตรียมพร้อมเอาจริงเอาจังสอดสายตากราดค้นหาสัตว์ไปตลอดทางดูเขามีความตั้งใจแน่วแน่ในอันที่จะร้มอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อโชว์ฝีมือและไม่ให้เห็นเป็นการน้อยหน้าเพื่อนสาวเท้าตามหลังรปินแจเชษฐาก็ดูเหมือนจะรู้ใจ ยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าปล่อยให้ชายยานเดินเคียงคู่กับพระพินไปอย่างใกล้ที่สุดโดยตนเองผ่อนระยะคล้อยหลังลงมาเป็นความหมายว่าถ้าเจอสัตว์อะไรต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้ชายยานยิงโดยไม่แย่งยิงเสียหม่อมราชวงศ์ดาลินพูดกับสาวย้ายแย่ยั่วเพื่อนชายไปตลอดทางอย่างร่าเริงสนุกสนานมันเป็นทีของหล่อนแล้วที่จะแกล้งพูดรับคู่ปรับเดินไปเก้าสองเ้า หล่อนก็แกล้งทำหน้าตื่นชี้หลอกพร้อมกับร้องบอกว่าเก้งกวางหรือวัวแดงยืนอยู่ที่นู้นที่นี่ให้ชยยายันหน้าตื่นหันขวับมาเสียทีหนึ่งแล้วหล่อนก็จะหัวเราะคิกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคลื้นบันเทิงแล้วกันน้อยเอ้อะมาเทิงแบบนี้ก็เดินแบกปืนเปล่าเท่านั้นไม่มีได้ยิงหรอกชยยายันขมวดคิ้วนิ้วหน้าบนอย่างหัวเสียอีกชั่วโมงเต็มเต็มผ่านไป ก่อนจะผ่านหุบลงป่าโปร่งอีกครั้งโชคก็เข้าข้างในพันตีหนุ่มนอกราช ก, การช่วยให้เขากู้หน้าอวดพวกพรานพื้นเมืองไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิหมูป่าฝูงหนึ่งประมาณห้าตัวโผเซอร์สร้างขึ้นมาจากรําห้วยข้างทางและพากันวิ่งตัดหน้าอย่างรวดเร็วจะข้ามฝั่งป่ารถพินผู้เดินอยู่ข้างหน้าซุดคุกข่าลงอีกเปิดโอกาสให้กับชายยันนายทหารหนุ่มประทับ3ามศในทันทีทันใดนั้นชุดแรกสี่ตัว ข้ามพ้นทางไปได้โดยที่เขาไม่ทันจะจับเป้าได้ถนัดแต่อีกสองตัวที่วิ่งตามมาเบื้องหลังเป็นหมูขนาดใหญ่และเข้าทางปืนพอดีชา ย, ยันร่านไกลสนั่นป่าตัวที่วิ่งรั้งท้ายกระโจนผ่านไปได้แต่ตัวรั้มหน้าพลิกตีรังกาสามทอดส่งเสียงร้องแหลมยาวชักพลาดพลาดอยู่กับที่กระสุนขนาด200เกรนหัวซิลเวอร์ทิปตัดซ้อขาหน้าตรงบริเวณรักแร้แดงพอดี ทุกคนชมเชยแสดงความยินดีกับเขาเว้นแต่ดาลินคนเดียวที่อมยิ้มเฉยเฉยชายยันมีสีหน้าเบิกบานแจ่มใสกระปรี้กระเป๋ขึ้นตามความรู้สึกของระพินเขาบอกกับตนเองว่าฝีมือการยิงของชายยันความจริงแล้วอยู่ในขั้นดีทีเดียวเสียตรงที่เป็นคนบุ่มบ่ามใจร้อนและอ่อนในศิลปะการล่าสัตว์ตามภาษาของคนที่ยังไม่ชำนาญกับเรื่องของป่าไปบ้างเท่านั้น ผิดกับเชษฐาผู้นอจาาจะยิงได้แม่นยำแล้วยังเป็นคนถี่ท่วนรอบครอบใจเย็นและเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่าได้ดีพอใช้มันเป็นการเริ่มต้นที่มีโชคหรือเกินครับจอมพานบอกเรายังไม่ตั้งใจจะร่ากันจริงๆเลยแต่ก็อุตส่ามีสัตว์เข้ามามาเข้าทางปืนและยิงได้ติดติดกันถึงสองครั้งอาหารข้ามของเราวันนี้หรูหรามาก ทั้งกวางของคุณชายและหมูป่าของคุณชายยันเฉพาะไอ้สองตัวนี้พวกเราทั้งคณะก็อิ่มกันไปได้หลายวันโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารกระป๋องเลยเราเริ่มออกรถกันตั้งแต่ออกเดินทางทีเดียวนะชายยันพูดอย่างร่าเริงตื่นเต้นแต่ถ้าไม่ใช่เพราะแงซายแนะให้เราลงมาเดินกับคุณรพินเราก็คงจะนั่งเบื่อกันอยู่บนเกวียนนั่นจนกว่าจะถึงการล่าจริงๆที่คุณกําหนดให้ ภายหลังจากให้ลุกหาแบบหมูป่าขึ้นไปบนทุกเกวียนอีกตัวหนึ่งแล้วระพินก็ให้สัญญาณออกเดินทางต่อขอหันมาทางชายยานผู้กาลังอิ่มอกอิ่มใจอยู่คุณชายยานสลัดปลอกกระสุนเก่าออกแล้วหรือยังครับชายยานทาท่าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ลืมตาโตร้องออกมาว่าเออจริงเสลืมไปว่าแล้วก็กระชากลูกเลื่อนคายปลอกเก่าทิ้งส่งลูกต่อไปเข้ารังเพล จอมพราน ห, หัวเรอมเบาๆกล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าคราวหลังกันลืมเอาอย่างนี้สิครับคุณชายยานันพอเรายิงไปหนึ่งนัดจะผิดหรือถูกช่างมันก่อนไม่ต้องไปคำนึงถึงผลรีบกระชากลูกเลื่อนคลายปอกเก่าใส่ลูกใหม่เข้าไปก่อนทันทีพยายามทำให้ติดเป็นนิสัยเลยเวลาเราใช้ปืนแบบลูกเลื่อนอย่างนี้ไม่งั้นพอเราเกิดความจาเป็นจะยิงขึ้นมาอีกครั้งมันจะลุกคลักไม่ทันการ หรือไม่ก็คิดไปว่าสัตว์มันมีอาถรรพ์ทำให้ปืนของเรายิงไม่ออกไปเลยชัยยันยิ้มเจือเจ่อนๆอย่างสารภาพพูดเอ่อยว่าขอบคุณมากที่เตือนผมมักจะเผลอเสมอเริ่มคิดไปว่ามันเป็นปืนแบบบรอดแอคชั่นเอาละที่หลังผมจะถือหลักปฏิบัติพอยิงนัดแรกก็กระชากลูกเลื่อนเลยทันทีแล้วเขาก็บุ้ยปากไปที่จุดสของเขาที่เปลี่ยนไปให้จอมปานถือบอกพร้อมกับหัเราะแหะๆว่า คุณพูดทำให้ผมนึกขึ้นมาได้จุดสี่ห้าดกระบอกนั้นตั้งแต่ผมยิงกวางผิดไปแล้วผมยังไม่ได้คายป่อกเก่าทิ้งเลยผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับรบพินตอบหมอมราชวงเชืถาจุ ป, ปากเบาๆบ่นมาว่าแกแล้วมันเป็นเสียอย่างนี้ไม่รอบคอบเลยพะ่าเสียแรงเป็นนายทหารจำเรื่องเก่าไม่ได้เหรอเมื่อน่าร้อนปีก่อนโน้นแกก็เข้าป่าประจวบคีรีขันกับฉันก็ไอแบบนี้แหละ ยิงแล้วไม่คายปลอกทิ้งแล้วก็ลืมพอกวางมันเข้ามาใต้ห้างแกก็เหนี่ยวไกใหญ่แล้วก็สบดสบานลั่นว่าไอ้กวางตัวนั้นมันมีดีเพราะปืนของแกยิงไม่ออกที่แท้ก็เพราะแกไม่ได้กระชากลูกเกลื่อนเตรียมไว้นั่นเองนั่นดีว่ามันเป็นกวางแล้วก็เข้าไมา้แกยิงใต้ห้างนะถ้าเป็นเสือหรือช้างมันชาร์รีเข้ามาแล้วแกมัวแต่ขี้หลงที้ลืมแบบนี้ก็มีหวังเกมก็ชยันนี่นะ ดาดินไม่ยอมปล่อยโ อ, อกาสให้ผ่านไปถึงเขาจะเป็นนายทหารเขาก็เป็นนายทหารปืนใหญ่ที่ใช้ยิงด้วยกลไกอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอมายิงไรเฟิลแบบลูกเกลือนก็คิดอยู่รำไปว่ามันคงจะอัตโนมัตริสลรัดปลอกกระสุนเองเอาเลยได้ทีขี่แพะไล่ข้าวน้อยเพื่อนชายร้องมาทำหน้ายุยยี่ในที่สุดทั้งหมดก็เดินลงไปตามถงลาดตาม มองเห็นป่าโป่องอยู่เบื้องหน้าขณะที่ทุกคนกําลังเดินคุยกันเพลินระพินผู้เดินนําอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกับที่อย่างกะทันหันเชษฐาชัยยานและดาลินซึ่งเดินตามกันมาอย่างไม่เป็นระเบียบเบื้องหลังก้าวมาทันและต่างก็พลอหยุดกึกรงหมดทุกคนบนพื้นดินเบื้องหน้าห่างออกไปไม่เกิน15เมตรรายาวมีส่วนอวบขนาดท่อนขาอ่อนของอะไรชนิดหนึ่งทอดขวางอยู่กลางทางสีของมันเป็นสีน้ําตาลอ่อน กลมกลืนกับใบไผ่ที่ร่วงกราดเกลื่อนอยู่กับพื้นจนแทบเป็นสีเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะอาการเคลื่อนไหวแสกซากไปกับพื้นอย่างเช่มช้ามันเคลื่อนไปในลักษณะเลือ้อยไม่เห็นหัวและไม่ปรากฏส่วนหางทว่าแต่แล้วบัดนั้นเองลักษณะคล้ายๆกันอีกส่วนหนึ่งก็ชูรากขึ้นมาอย่างรวดเร็วฉับพันตั้งเป็นลำสูงกว่าระดับพื้นเลยระดับศีรษะของคณะเดินป่าทุกคนที่พากันยืนนิ่งอยู่ ขึ้นไปเกินกว่าช่วงแขนแผ่พังพานแบนใหญ่ออกไปเกือบจะเท่ากระด้งย่อมย่อมพร้อมกับดวงตาทั้งคู่ที่ฝังอยู่ในเบ้าลึกแดงฉานราวกับทับทิมและปลายลิ้นสองแฉกอันตวัดอยู่แปลกปราบมัจจุราชร้ายแห่งดงดิบพญาจงอ่างใครคนใดคนหนึ่งจากเบื้องหลังของเขาขยับตัวแต่ระพินกระซิบเฉียบขาดยาเฉยไวสวรรคโปรเถร ถ้ามันฟาดหัวฉกลงมาก็ถึงพวกเราแล้วใครอีกคนหนึ่งคลางแหบๆออกมาเบาที่สุดคุณชายครับผมอยู่นี่ทางด้านซ้ายของคุณลูกซองของคุณชายบรรจุลูกอะไรไว้ลูกปลายเก้าเม็ดทั้งสี่นัดกรุณาส่งมาให้ผมช้าๆนะครับทุกคนอยู่นิ่งกับที่ก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวแม้แต่นิดนึง หม่อมราชวงศ์เชษฐาค่อยๆส่งเอเอไปให้รบพินทุกคนกั้งลมหายใจภาวะนั้นเหมือนตกอยู่ในมนสะกดจอมพรานรับปืนมาอย่างแผ่วเบาเช่มช้าตาเขาจับนิ่งอยู่ที่พยาอสรพิษไม่กระพริบค่อยๆว่ารลำกล้องขึ้นเตียมพร้อมเล็งจับอยู่ที่บริเวณผางผานใหญ่แล้วก็กระซิบบอกต่อมาโดยไม่เดี๋ยวหลังว่าเอาละทุกคนถอยช้าๆนะครับ พยายามถอยไปให้ห่างที่สุดเร็วเข้าแต่คุณไม่ต้องหุบเป็นห่วงผมทำตามคำสั่งเชษดขาคว้าแขนดารินก้าวถอยหลังไปทีละก้าวพร้อมกับชายยันกองเกวียนทั้งหมดที่เดินตามมาพลันหยุดชะงักลงหมดพวกลูกหาบทุกคนยืนตะลึงอยู่กับที่อึดใจเต็มๆและพินจ้องประทับปืนเฉยจงอ่างยักษ์ก็ยังชูคอราแผ่พังพาลา ส่วนที่ยกขึ้นไปในอากาศตั้งตรงเหมือนเสาไม้โดยไม่เคลื่อนไหวอยู่เช่นนั้นแต่ส่วนหางที่ทอดขวางอยู่กลางทางค่อยๆรากตาวัดช้าไปรวมกลุ่มหยุกย่างป่าฟ้าเดียวกับส่วนหัวของมันพอส่วนหางของมันลากเข้ามารวมกันได้ส่วนที่ชูอยู่ในอากาศก็เริ่มสายไปมาน้อยๆและสูงขึ้นเป็นลาดับ fN ในมือของรพินก็แผดกล้องขึ้นในบัตรนั้น เขายิงพร้อมกับกระโดดเพ่นออกจากที่ยืนเดิมไปทางหนึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นเวลาเดียวกับที่รำตัวอันตั้งอยู่ในอากาศนั้นฟาดโครมลงมายัางตำแหน่งที่จอมพรานยืนอยู่ในครั้งแรกเสียงกระทบพื้นดังได้ยินทนัดอสรพิษร้ายม้วนรำตัวจนป่าข้างทางไว้สะเทือนพงกหัวอันแดงฉานไปเรือดสดขึ้นพุ่งเข้าติดตามจอมพลจอมพรานอย่างรวดเร็วรพินสะบัดปากปากระบอกปืนเข้าใส่อีกครั้ง แต่เขายังไม่ทันจะรั่นไกลเสียงลูกซองก็ระเบิดลั่นมาจากเกลียนเบื้องหลังติดติดกันสองนัดซ้อนส่วนหัวที่กำลังจะพงกชูของมันสะบัดเลือดไปกองอยู่กับลำตัวอันยาวเหยียดหางฟัดฟ้าตวัดอยู่ไปมาระพีนปล่อยกระสุนติดตามเข้าไปอีกสองนัดที่หมายบริเวณศีรษะของมันซึ่งบาดนี้เป็นรอยกระสุนยับเยินฟูมไปด้วยเลือดมืตะยูดงดิบก็ถึงการอวสานสิ้นฤทธิ์รงเพียงแค่นั้น มีแต่บริเวณปลายหางเท่านั้นที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่อย่างหน้าขนพองสยองก้าทุกคนหันขวับไปทางเบื้องหลังก็เห็นแงซายายืนตะงานอยู่บนเกวียนของคณะนายจ้างในมือถือปืนลูกซองแฝดของชายยันซึ่งวางไว้ในราวปืนข้างเกวียนหนุน่มชาวดงนักพเนจรกระโดดลงจากเกวียนวิ่งตรงมาที่พรานใหญ่และซาของงูร้ายในระหว่างที่ทั้งหมดยังพากันยืนตะลึงอยู่ กระชากดาบที่ขัดหลังออกมากระนำฟันลงไปบนเวรเวรส่วนหัวอันใหญ่โตของมันจนขาดแหล่งแล้วก็หันมาทางระบพินถามห้าๆขึ้นว่าผู้กองไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรือครับอืมขอบใจแกมากไงสายที่แกช่วยยิงซ้ำมาอย่างทันการฉันยังดาไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้านัดที่สองแกยิงมาช้ากว่านั้นสักนิดเดียวมันจะพุ่งเข้าถึงตัวฉันหรือเปล่าจอมพรานพูดต่ๆ ยกแขนขึ้นปาดเหงื่อสลัดออกไปแง่ซ า, ายหันมาทางเชษฐาผมต้องขออภัยที่มังอาจขึ้นไปหยิบปืนของท่านมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นคราวคับขันมากปืนของผมเองเป็นไรเฟิลแบบเก่าถ้าผมเอาปืนของผมยิงมันอาจผิดก็ได้หม่อมราชวงศ์เชษฐาเข้ามาจับไหล่แง่ซ า, ายบีบแน่นและตบหนักหน่วงแง่า ย, ายตั้งแตเห็นแก่ครั้งแรกแล้ว ฉันมีความรู้สึกเชื่อมั่นอย่างไรพิกลว่าแกจะต้องเป็นประโยชน์ต่อคณะของเราเป็นอย่างมากและมันก็เป็นความจริงแกเป็นคนกล้าหาญตัดสินใจได้ถูกต้องฉับไวและฉลาดอย่างน้อยที่สุดการกระทำของแกในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยพวกเราทุกคนไว้พวกเราไม่มีใครถือปืนลูกซองสักคนนอกจากฉันซึ่งก็ส่งให้กับพระพินไปส่วนบุญคากับจันจะช่วยญิงซ้าก็ไม่ถนัดเพราะติดพวกเราขวางหน้าอยู่ แกอยู่ใกล้เกวียนและใกล้ปืนที่สุดแล้วแกก็ขึ้นไปยืนอยู่บนเกวียนโดยผ่านหัวพวกเราไปไม่เสียแรงหรอกที่เรามีแกร่วมทางมาด้วยหนุ่มชาวดงผู้รึกรับเพียงแต่ยิ้มน้อยๆให้แกคำสรรเสริญของนายจา้างและตรงเข้าไปช่วยพวกลูกหาทั้งหลายลากสร้างจงอ่างยักให้หลีกทางเกวียนออกไประพินยืนสูบ่บริอัดควันลึกเป็นตัวแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาเป็นเวลาถึง6ชั่วโมง ตาของเขาหลีมองจับอยู่ที่แง่ทรายเงียบๆผมเห็นคุณเลงอยู่ตั้งนานตอนที่มันชูหัวอยู่ทำไมคุณไม่ยิงจนกระทั่งมันฉกลงมาชายันถามแหบๆท่าทางเขายังไม่หายขนลุกขนฉันในภาพวาดเสียวเมื่อครู่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นงานพวกเราจริงหรือเปล่าผมพบกับพวกมันบ่อยๆชูคอร่าในลักษณะนี้แต่ส่วนมากถ้าเฉยสงบเสีย มันจะลดลงและเลื้อยหลีกทางไปเองผมไม่อยากจะยิงมันโดยไม่จำเป็นยกเว้นแต่ว่าถ้ามันจะเล่นงานเราจริงๆก็ต้องฆ่ามันไอ้ตัวนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วก็เป็นตัวแรกที่เข้ามาเล่นงานเอาก่อนมันใหญ่เหลือเกินใหญ่สิจนกระทั่งกระสุนลูกปลายขนาด9เม็ดที่รวมกันเป็นกลุ่มยิงเข้าไปในบริเวณใต้ลาคอก็ยังไม่สามารถจะหยุดมันได้ในนัดแรกต้องซ้ากันหลายนัด ตามปกตินัดเดียวก็อยู่แล้วบางตัวเพียงนัดเดียวก็ถูกเด็ดหัวขาดไปเลยด้วยซ้ํชาชยันทอไรแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันเจตนาจะเล่นงานพวกเราแน่ถึงได้ยิงแล้วก็หลบทันมันขดตัวเข้ามารวมกลุ่มแล้วยกหัวสูงขึ้นไปอีกนั่นแปลว่ามันเอาเราแน่ผมชักสงสัยเสียแล้วถ้ามันจะไม่เหมาะยังไงพิกล ค, คุณสงสัยอะไร ตามปกติมันอยู่เป็นคู่เราอาจพบคู่ของมันอีกตัวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรที่เราจะเดินไปนี้ก็ได้ทางที่ดีที่สุดผมอยากจะขอร้องให้พวกคุณกลับขึ้นไปนั่งบนเกวียนเสียจนกว่าจะถึงที่ซึ่งผมจะกําหนดให้พักความจริงพวกคุณก็เดินกันมาหลายชั่วโมงแล้วออมแรงไว้หยิงเลียงผาในตอนเย็นนี้ดีกว่าเชษฐาชัยยานและดาดินหันมามองดูหน้ากันแล้วเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะก็ยิ้มพยักหน้า ความจริงเรายังไม่อยากจะกลับไปนั่งเกวียนอยากจ ะ, ะเผชิญอะไรเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณให้สาสมกับที่เราได้ตั้งใจมาแล้วแต่พวกเราในฐานะที่ฝากชีวิตไว้กับคุณก็จะถือว่าคําสั่งของคุณสําคัญที่สุดเอาละพวกเราจะกลับไปอยู่บนเกวียนขอบพระคุณครับคุณชายกา ร, รเผชิญภัยเรายังจะต้องเผชิญร่วมกันอีกมากและไม่มีขอบเขตจํากัดแต่ผมไม่ต้องการให้คณะของคุณมาเผชิญและเสี่ยงกับไอสัตว์ไม่มีตีนชนิดนี้เลย มันไม่มีประโยชน์และไม่น่าสนุกสักนิดผมเองเดินป่ามานานก็ไม่รู้สึกสนุกในการที่จะพบมันเลยแล้วก็ไม่อยากจะพบเห็นมันด้วยมันจะบังเอิญมาให้พบเองไม่ถือเป็นเกมกีฬาหรือว่าจะอะไรทั้งนั้นนอกจากว่าเป็นเรื่องโชคไม่ดีทนนำคาญอยู่ในเกวียนอีกสักชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองครับเราก็จะถึงที่พักแห่งแรกของเราแล้วอ๋อบางทีคุณอาจต้องการปืนลูกซองมากกว่านี้บนเกวียนมีอยู่ทั้งสามกระบอก ให้แง่ร า, ายขนลงมาได้เลยเห็นจะไม่ต้องหลอกครับผมถือ FN ของคุณชายกระบอกนี้แล้วแง่า ย, ายเองก็ถือแฝดของคุณชายยันติดมืออยู่โน้นนอกนั้นพรานของผมและพวกลูกหาบก็ล้วนใช้ลูกซองกันอยู่ทุกคนถึงแม้จะเป็นแบบเดียวแต่หลายๆกระบอกก็พอจะช่วยกันได้ทันเชษฐานำคณะกลับขึ้นนั่งเกวียนและพินสั่งจัดขบวนการเดินทางใหม่ ถอนแง่ทรายจากการเดินเฝ้าอยู่ใกล้ชิดกับเกวียนของคณะนายจ้างให้ขึ้นมาคู่กับเขาพร้อมกับจัน์และบุญคำซึ่งให้คอยตามหลังเป็นแถวเรียงสองตะโกนบอกเสยกับเกิดผู้คุมอยู่ด้านหลังรวมทั้งลูกหาบทุกคนให้ตื่นพร้อมคอยระวังภัยจงอางร้ายที่อาจถูกดักหรือตามโจมตีแล้วก็เคลื่อนขบวนต่อไปอย่างแวดระวังแง่า ย, ายแกดูจะมีส่วนช่วยชีวิตฉันมาสองครั้งแล้วนะ จอมพลานพูดขึ้นขณะที่เดินเคียงคู่ไปกับอดีตนายทหารโจนกะเลี่ยงแง่าสายยิ้มกว้างๆใครจะรู้ได้สักวันหนึ่งผู้กองอาจช่วยชีวิตผมไว้บ้างก็ได้และผมก็ต้องการให้ผู้กองช่วยหมายความว่ายังไงชาวดงพเนจรหัวร้อเฉยเสียใช้ดาบฟันกิ่งไม้เล่นไปเป็นระยะที่ผ่านไประพินสังเกตด้วยอาการพินิจแล้วก็บอกกับตนเองว่า เป็นการฟันเล่นอย่างปราจากความหมายไม่ใช่ทำเครื่องหมายชี้ทางหรือสัญญาณรับอะไรอย่างที่เขาระแวงแล้วขบวนทั้งหมดก็มาถึงที่พักแห่งแรกตามกำหนดของจอมพลรบพินสั่งให้ปลดควายตั้งแคมป์ชั่วคราวขึ้นที่บริเวณพื้นราบตอนหนึ่งชิดกับหน้าผาชันอันเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติต่ำกว่าระดับที่ตั้งแคมป์ลงไป เบื้องล่างเป็นลำธารไหลลงมาจากเทือกเขาใหญ่ห่างประมาณหนึ่งเมตรเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงดงามน่าตื่นใจของชาวพระนครอันเป็นคณะนายจ้างของเขาทั้งสามอย่างยิ่งตำแหน่งนี้พรานใหญ่บอกให้คณะนายจ้างของเขาทราบว่าคือสถานที่ซึ่งพรานพื้นบ้านทั้งหลายขนานนามว่าเขาโลนเขาบอกให้ทุกคนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ผมจะออกไปสำรวจก่อนประเดี๋ยวจะกลับระหว่างที่ผมไม่อยู่กรุณาอย่าเดินออกไปให้ห่างบริเวณแคมป์ของเรานักนะครับจอมพรานสั่งแล้วก็คว้าปืนเดินดุ่มๆหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับบุญคำเกิดจัน์และเสยอันเป็นพรานพื้นเมืองคู่ใจของเขาทั้งสี่คนประมาณเกือบชั่วโมงก็โผล่กลับมาเรียบร้อยครับเตรียมตัวเถอะผมจะพาไปนั่งประจาที่เรียงผาหรือครับ พอมีสัตว์อื่นๆบ้างไหมผมตรวจดูแล้วที่ลำธารใต้แคมป์ของเรานี่มีรอยกระทิงลงกินน้ำสองสาตัวแต่เป็นรอยเก่าหลายวันมาแล้วเหนือขึ้นไปอีกนิดก็มีรอยหมูลงเกลือกปลักรอยใหม่ซักเมื่อเช้านี้เองตัวเดียวเท่านั้นถ้าไม่รีบร้อนเราหยุดอยู่ที่นี่สักสองคืนในเวลากลางคืนจะนั่งห้างในละแวกใกล้ๆหรือจะเดินส่องไฟพวกเก้งกวางก็คงจะเหลือเฟือ พอดอกมะข่าโมงกับลูกมหาดกําลังร่วงน้อยชอบที่นี่จังคะ่ะพี่ใหญ่เราพักที่นี่สักสองคืนตามคําของนายพรานใหญ่ของเราดีไหมคะหม่อมราชวงศ์หญิงดารินพูดในขณะที่ยืนกวาดสายตาสดใสเป็นประกายชื่นชอบไปรอบด้านเอาเถอะคืนนี้ก็หารือกันดูใหม่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่ควรจะใช้เวลาให้มันสิ้นเปลืองไปกับการเที่ยวสนุกสนานเกินไปนะัก จุดหมายสําคัญของเรามีอยู่อย่าลืมว่าเราไม่ได้มาเพื่อการเที่ยวป่าล่าสัตว์หม่อมราชวงเชิฐาพูดเป็นงานเป็นการแล้วหันมาทางจอมพรานคุณบอกไว้ว่าเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณสองอาทิตย์ไม่ใช่หรือในการไปถึงหล่มช้างครับสองอาทิตย์แต่ต้องหมายถึงว่าเราจะต้องเดินทางกันจริงๆโดยไม่แวะถลายพักที่ไหนเกินกว่าแห่งละคืนเลยว่า ถ้าจะตั้งหน้าตั้งตาเดินกันจริงๆอย่างนั้นมันจะไปมันอะไรเล่าไหนๆเราก็มาแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างก็พรักพร้อมอย่างนี้เราควรจะถือโอกาสเที่ยวล่าสัตว์ให้เต็มที่ไปด้วยระยะนี้ถือเป็นระยะสําราญรมสนุกสนานเพลิดเพลินกันก่อนดีกว่าพอถึงหล่มช้างก็แปลว่าเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินกันจริงๆอยู่แล้วชายยันร้องออกมาหญิงสาวก็สนับสนุนมาว่าจริงด้วยพี่ใหญ่ไม่เห็นหรอคะ น้อยเตรียมอะไรมามากมายไก่กองถึงอย่างนี้เราควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการเที่ยวป่าของเราให้คุ้มทีเดียวก่อนที่จะทิ้งมันไว้ที่หล่มช้างการติดตามพี่กลางน่ะมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรีบร้อนอะไรเลยระยะเวลาที่พี่กางเริ่มออกเดินทางเข้าป่าจนกระทั่งที่เราเริ่มต้นออกค้นหาเขามันก็ล่วงเลยมานานแล้วถ้าเขาเดินโดยไม่หยุดเราก็ไม่มีวันจะตามเขาได้ทันหรือถ้าเคลาะหามยามร้ายพี่กลางถึงแก่ชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าเราจะเร่งรีบสักขนาดไหนเราก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาเองทั้งสิ้นเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนๆชนิดที่เรารู้แน่ว่าเขากําลังรอความช่วยเหลือจากเราอยู่อย่างที่ใดที่หนึ่งการตามพี่กลางในครั้งนี้เป็นการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมของเราต่างหากมันก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรนั่นแหละพี่ใหญ่โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าน้อยไม่เป็นห่วงพี่กลางนะคะน้อยเป็นห่วง ทำไมงั้นนอ้อจะขอมาด้วยทำไมแต่ขอให้พิจารณากันถึงเหตุผลถืว่ามันไม่มีมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถึงแม้เราจะเร่งรีบกันสักขนาดไหนหรือว่าช้าไปกว่ากำหนดสักอาทิตย์สองอาทิตย์ข้อสำคัญที่สุดก็คือเราต้องไปตามค้นหาเขาแน่ๆโดยไม่ถอยหลังกลับจนกว่าเราจะพบตัวเขาหรือมิฉะนั้นก็จนกว่าจะแน่ใจว่าเขาหาชีวิตไม่แล้วดังที่เราได้ตั้งเจตนาเดิมไว้ เชิดฐานิ่งไปครู่เหมือนจะใช้การคร่ครวนสีหน้าของเขาครุมเคร่งลงแล้วก็หันมาทางจอมพรานคุณมีความเห็นเช่นไรและพินผมไม่อาจออกความเห็นใดๆได้ทั้งสิ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องแล้วแต่คุณชายผู้เป็นนายจ้างของผมบอกได้แต่เพียงว่าถ้าเราถือโอกาสล่าสัตว์กันไปด้วยอย่างคุณหญิงและคุณชยยันว่า กำหนดเดินทางของเราที่จะไปถึงลมช้างก็ต้องยืดออกไปอย่างไม่มีปัญหาระพินตอบอย่างสำรวมเอาการตามสบายๆโดยไม่เร่งร้อนนักคุณคิดว่าสักกี่วันเราจะไปถึงที่นั่น1เดือนกำลังสวยครับแปลว่าเราสามารถจะหยุดพักได้แห่งหนึ่งเท่าที่เราพอใจพร้อมทั้งล่าสัตว์ทุกชนิดที่เราต้องการจะล่าได้ผมคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ผมจะนำไปยังหล่มช้างและโดยวัตถุประสงค์ในการล่าพร้อมกันไปในตัวถ้าเบื่อในการล่าสัตว์เมื่อไหร่เราก็ยุติเสียและหันมาเร่งในการเดินทางผมกะว่าอย่างช้าก็คงไม่เกินเดือนหนึ่งหรอกครับอาจเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าผู้คุณเบื่อในการล่าขึ้นมา <c oughs> ก็ถูกของน้อยกับชัยยานเหมือนกันในข้อที่ว่าถึงเราจะเร่งร้อนนะักมันก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย หม่อมราชวงเชษฐาพูดขึ้นต่ำๆด้วยอาการซึมเศร้าแล้วก็ถอนใจพยักหน้าเอาละค่อยปรึกษากันใหม่เป็นคราวๆไปว่าเราจะหยุดที่ไหนนานสักเท่าไหร่มีเวลาคุยกันถมไปทั้งสามเตรียมปืนหน้าขันสำหรับพระพินอีกคือในการจะไปดักยิงเรียงผาตามวิธีไร้ราวคราวนี้ชายยานผู้เขต็ต่อการใช้ปืนไรเฟิลและเพิ่งจะเห็นประสิทธิภาพของปืนลูกซอง ในการยิงแบบกระทันหันรวดเร็วหันไปคว้าปืนลูกซองแฟดตรงข้ามกับเชษฐาผู้บัดนี้แทนที่เขาจะใช้ลูกซองเหมือนเดิมเขากลับเลือกปืนไรเฟิลขนาดเบา3030 30, แบบรีเวอร์แอคชั่นซึ่งเป็นปืนเหมาะควรอย่างยิ่งสำหรับสัตว์ขนาดเลียงผาแต่ก็ต้องหมายความถึงว่าฝีมือในการยิงจะต้องดีจริงๆเพราะเป็นการยิงในขณะที่สัตว์กาลังวิ่งตื่นมันสอให้เห็นชัด อีกครั้งหนึ่งว่าเช่ถามีรสนิยมในการร่าสัตว์สูงเพียงไรเขาไม่ต้องการใช้ลูกปืนซองซึ่งเป็นการเอาเปรียบสัตว์เกินไปโดยไม่ใช้ฝีมือเสียเลยส่วนดารินถือจุดสองเจ็ดศูนย์ติดศูนย์กล้องกระบอกเดิมของรอนซึ่งระเพียงบอกกับตนเองว่าถ้าหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยหัวรันคนนี้สามารถจะยิงเลียงผาที่กาลังวิ่งตเตลิดได้ด้วยปืนกระบอกนี้ ห่อนก็น่าจะเป็นจอมพรานที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาซีอีกเขาอยากจะแนะให้ห่อนถือลูกซองอัตโนมัติแต่ก็เฉยเสียไม่พูดต้องการให้ประสบการณ์สอนหญิงสาวเอาเองในจำนวนคณะนายจ้างของเขาสามคนที่มาด้วยมีเชษฐาคนเดียวเท่านั้นที่พรานใหญ่อย่างรพินเลื่อมสายในฝีมือและชั้นเชิงในการล่าเมื่อเตรียมตัวเสร็จรพินก็นาทางเกณฑ์ลูกหาบของเขาไปเกือบหมด